มาฟังหลวงพ่อนะก็คือมาเรียนวิธีปฏิบัติหลวงพ่อก็บอกให้ตั้งแต่ว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะดีวิเศษวิโสอะไรหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้แล้วอย่างท่านสอนว่าคนมาบวชขนาดมาบวชเป็นพระนะไม่ใช่ มาบวชมาปฏิบัติธรรมถ้าเป็นพวกเราก็เรียกามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีศีลเทียบกับต้นไม้นะแค่มีศีลเหมือนแค่ใบไม้ยังไม่ได้แก่นไม้ไม่ใช่เพื่อสมาธิสมาธิก็ยังเป็นแค่เปลือกเปลกต้นไม้ไม่ใช่เพื่อปัญญาปัญญาเหมือนเนื้อไม้ยังไม่ใช่แก่นไม้ แต่เราปฏิบัติธรเนี่เพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายท่านสอนไว้ชัดมากเลยนะไม่ได้สอนเอาแค่มีศีลใ น, นส่วนใหญ่พวกเราที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธนะมันไม่เข้าถึงแก่นกันสักทีมันก็ไปติดอยู่ที่เรื่องศีลไปรักษาศีลได้ก็ไปคุยอวดคนอื่นว่าศีลเราเยอะกว่าคนอื่น อันนี้โง่แท้ๆเลยนะถ้าไปอวดว่าดีกว่าคนอื่นเพราะมีศีลเหนือกว่าเขาเอันนี้มันกิเลสนะเรียกว่ามารนณะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อสมาธิถ้านั่งสมาธิเก่งสงบอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เดินปัญญาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ด้วยซ้ําไปได้แต่ความสุขความสงบเฉพาะตัวออกจากสมาธิมาก็าอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมหรือร้ายกว่าเก่าอีกนะ ไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรนะไม่ใช่เอาปัญญาปัญญาไม่ใช่เป้าหมายทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี้เป็นแค่ทางผ่านนะเป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องมือเพื่อจะพัฒนาจิตเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นอย่าไปมองศาสนาพุทธมันหยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลการทำสมาธินะ ตะท่างการความการหาความฉลาดรอบรู้ในธรรมะมากมายพูดธรรมะได้ชอชอ่ชอชอ่ชอชนะกิเลสสักตัวหนึ่งก็ไม่เคยเห็นใช้ไม่ได้ล้มเหลวสิ้นเชิงเลยยิ่งจำธรรมะได้มากกิเลสยิ่งแรงเหมือนมีตำรายานะแต่ไม่เคยเอาไปปรุงยากินเลยนะไม่ได้ผลอะไรหรอกงั้นพวกเรามาเรียนให้รู้ทาง ทางของเราก็คือศีลมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละมิธีให้มีศีลก็เรียนศีลสิกขามิธีที่จะให้เกิดสมาธิก็ต้องเรียนเรื่องจิตสิกขามิธีที่จะให้เกิดปัญญาก็เรียนเรื่องปัญญาสิกขาพอเรียนรู้วิธีแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทมไม่ใช่หวังว่าจะมานั่งฟังเทศนะหรือเปิดซีดีแล้วก็บรุรรมนะ ต้องลงมือปฏิบัติทำมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เรื่องยังไม่ได้ปฏิบัติไ่นั่งสมาธิสงบนะสว่างเห็นโน้นเห็นนี้เลยยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลยยังไม่ได้เริ่มเจริญปัญญาเลยนะยัพวกเรามาเรียนต้องรู้นะว่าเป้าหมายของชาวพุทธเราเนี่ย ต้องมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้ได้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ว่าง่ายๆนะเวลาที่จิตมันพ้นจากทุกข์เนี่ยจิตมันพ้นจากขันเพราะตัวขันคือตัวทุกขนะ์ถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ก็ตอบเข้าไปเสียงดังๆตัวขัน5นั่นแหละตัวทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันถ้าดับทุกข์ก็คือความดับสนิทแห่งขันเวลาที่เราภาวนาบรรลุพระอรหันต์เนี่ย จิตของเรากับขั น, นยแยกออกจากกันไม่มารวมกันอีกต่อไปแล้วนะท่านเปรียบเหมือนกับเอาน้ำกะทินะมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำมันน้ำมันไม่ไปรวมกับน้าให้มากลายเป็นน้ำกะทิขึ้นมาอีกแล้วสานวนเทียบของคนโบราณหมายถึงเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นอีกแล้วเวลาที่จิตพากออกจากขันแล้วก็ไม่กลับเขารวมในขันอีกแต่ต้องพากถูกพิธี ถ้าพลาดด้วยสมาธิพอหมทกําลังของสมาธิมันก็กลับเข้าไปเกาะขันอีกนะพลาดชั่วครั้งชั่วคราวถ้าพลาดด้วยปัญญาเห็นแจ้งในกองขันว่าขันนี้เป็นก้อนทุกข์จริงๆรนะิจิตจะสลัดคืนตัวทุกข์ให้โลกนะจิตจะไม่หยิบช่วยตัวทุกข์ขึ้นมาอีกจิตจะพลากจากขันถาวรไม่เกาะโดยที่ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุด อย่างทำไล่ไถนาปีนี้ทํานาปีหน้าก็ทำนะหรือเราทํางานเดือนนี้ทําเดือนหน้าก็ทํา้าทําไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่งานปฏิบัติธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดภาวนาไปจนถึงจิตเห็นความจริงของขันว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์จริงๆจิตสลัดคืนขันให้โลกไปนะจิตพรากออกจากขันไม่กาะกันอีกไม่แบกภาร ะ, ระอันนี้เวลาที่บรรลุพระอรหันนะ จิตจะพลากออกจากขันเรียกว่าพ้นทุกมันพ้นไปจากขันถ้าพูดในภาษาปริยัติเขาเรียกว่าสาวุปาที่เสสนิพานนิพานที่ยังมีขันเหลืออยู่ก็นะคือกิเลสมันตายไปมีขันเหลืออยู่แต่จิตไม่เกาะขัน น, ะนีอยู่ไปจนถึงวันที่ขันแตกขันดับร่างกายแตกสลายนะที่อย่างพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าปรินิพานนะตอนแรก ที่ท่านตรัสรูนะ้ก็เป็นนิพพานชนิดที่หนึ่งเรียกสาวุปาทิเสสนิพพานจิตของท่านหมดกิเลสจิตของท่านทิ้งขันไปนะพรากออกจากขันวันนี้ท่านตรินิพพานนะเรียกว่าอนุปาทิเศสนิพพานนินพพานแบบไม่มีเชื้อเหลือไม่มีขันเหลือนะอันนั้นเรียกว่าดับขันยิ่งถ้าพ้นขันนะพ้นทุกนะถ้าดับขันก็ดับทุกนะดับสนิทแห่งทุก นี่พวกเรามีความรักเหนียวแน่นในกายในใจพอเราได้ยินว่าจะต้องพ้นไปจากกายจากใจเราก็ทนไม่ได้เราปล่อยไม่ได้เพราะเรารักเราหวงแหนในกายในใจนี้มากเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษพระพุทธเจ้าสอนวิธีเจริญปัญญาให้เรานะพอจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วต้องมาเจริญปัญญาอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยเฉรู้ตัวอยู่เฉยเฉไม่ได้เจริญปัญญามีแต่สมาธิ พอจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต้องมันดูความจริงของกายของใจของรูปของนามนะดูไปเรื่อยร่างกายนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจคือไปคิดแล้วก็ดับ เดี candies, ๋ยวก็เป็นจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับนะจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตก็เกิดดับก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันมันเกิดได้มันดับได้เราสั่งมันไม่ได้เราจะสั่งบอกว่าจงเกิดแต่จิตที่ดีจงเกิดแต่จิตที่มีความสุขเราก็สั่งไม่ได้นะอย่างเราแค่สั่งว่าใจอย่าคิดมันก็ยังห้ามไม่ได้เลยนะจิต จิตในไปคิดห้ามมันไม่ได้ตถงห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าเราเห็นอนัตตาในกายเนี่ยในร่างกายเนี่ยเวลาเจริญปัญญาเราจะเห็นเป็นตัวทุกข์ได้ง่ายร่านงะกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะดูกายว่าไม่เที่ยงดูยากหน่อยนะต้องทรงสมาธิมากจริงๆเราจะเห็นกายนี่เป็นประกอบด้วยกลุ่มของรูปกลุ่มของรูปจํานวนนับไม่ถ้วนนะเดี๋ยวเกิดตรงนั้นดับตรงนี้หมุนไปเรื่อย ถ้าทรงสมาธิไม่พอเราไม่เห็นกลุ่มของรูปเรียกว่ากราบกราปะนะเป็นกลุ่มๆรูปไม่ได้อยู่รูปเดียวเวลารูปจะมีขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาเนี่ยรูปต้องเกาะกลุ่มกันอยูนะ่อย่างหนึ่งรูปนะอย่างน้อยต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะมีอากาศธาตุเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมารวมกลุ่มกันดินไม่อยู่ตามลำพังของดินน้าไม่อยู่ตามลาพังของน้านะ สิ่งเหล่านี้ดูยากนะถ้าไม่ใช่ทรงสมาธิธจริงๆ ง, งั้นการดูกายจะดูให้ได้ดีเนี่ยต้องทรงฌานถึงจะดูได้ดีถ้าไม่ได้ทรงฌานดูยากจะเห็นกระลาบเกิดดับนี่ยากที่สุดเลยไม่เห็นหรอกนะจะเห็นโดยอนุมาณเอาเช่นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วดับร่างกายนั่งเกิดแล้วดับร่างกายนอนเกิดแล้วดับจะเห็นอย่างนั้นไป ถ้าดูเล enfin er ี่ยงไปอย่างหนึ danach. ่งด <c oughs> <ophren. hguru>. ูง่ายขึ้นหน่อยก็ดูทุกนั่งอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกนะหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าทุกยังไงลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกเองแหละหายใจออกทุกยังไงลองหายใจออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกเองแหละอย่างเราหายใจออกไปนะมันก็มีทุกขขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าแก้ทุกหายใจเข้าแก้ทุกแล้วก็เกิดทุกอีกละก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกนั้นมีทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย ถ้าดูอย่างนี้ก็เป็นการไม่ต้องไปดูถึงกรลาบนะถ้าอย่างนั้นต้องทรงฌานถึงจะเห็นถ้าเราไม่ได้ทรงฌานเราดูแค่ตัวทุกข์ในกายธรรมดาธรรมดานี่แหลนะแล้วก็ดูถ้าดูนมามธรรมนะจะดูง่ายความรู้สึกสุขเป็นยังไงเราก็รู้ความรู้สึกทุกข์เป็นยังไงก็รู้ความรู้สึกเฉยๆเป็นยังไงก็รู้มีความสุขเกิดขึ้นในกายก็รู้นะ ความสุขในกายหายไปก็รู้ความทุกข์ในกายเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์ในกายหายไปก็รู้ความสุขในใจเกิดขึ้นก็รู้ความสุขในใจหายไปก็รู้นะความทุกข์ความเฉยๆในจิตใจเกิดขึ้นก็รู้หายไปก็รู้นะหรือกุศลอกุศลก็ได้นะจิตเกิดความขยันอยากภาวนาก็รู้นะจิตขี้เกียจขึ้นมาก็รู้ทีแรกก็ภาวนาขยันอยากภาวนาวันนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิสามชั่วโมง นั่งไปสนาทีนะมันก็แสดงความทนอยู่ไม่ได้ล้มีแต่ของไม่เที่ยงความขยนันความอยากภาวนาหายไปแล้วนะเกิดความขี้เกียจขึ้นแทนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนถ้าจิตใจเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ละคนนะใจง่ายทั้งนั้นแหละใจเร็วรวดเร็วมากเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปซื่อๆเพราะทุกคนรู้จักสภาวะทางใจอยู่แล้วนะแต่อย่างเรื่องกะลับกระเหลิบททางรูปเนี่ยพวกเราไม่รู้จักหรอก นะในเส้นผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีธาตุดินธาต้าาน้ําธาตุไฟธาตุลมนีมีอยู่ครบเลยแล้วตั้งอยู่ในอากาศาธาตุเนี่ยใครจะไปเห็นนาะนะยังมีรูปอย่างอื่นอยู่ด้วยมีรูปสีมีรูปกลิ่นมีรูปรสอยู่ด้วยเห็นไหมมีรูปแลมาไปรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มเบลอเลยนะแต่เราแยกไม่ออกหรอกถ้าดูความเป็นทุกข์ของกายไปนะถ้าจิตใจเราได้เห็นความไม่เที่ยงง่ายนะมันเปลี่ยนเร็ว สุขก็สุขประเดี๋ยวประดาวทุกก็ทุกประเดี๋ยวประดาวนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดจิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคราวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคราวดูของจริงเข้าไปเรื่อยๆนะหรือดูอนัตตาก็ได้นำมาทำก็ดูอนัตตาง่ายเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะสั่งให้ความสุขเกิดมันก็ไม่เกิดความสุขเกิดแล้วสั่งให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ ความทุกห้ามมันว่าอย่าเกิดมันก็จะเกิดนะเกิดแล้วสั่งให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปเนะี่ยกุศลไม่ยอมเกิดสักทีตั้งใจจะเป็นกุศล น, นะอยู่ได้เดี๋ยวเดียวกุศลก็าหายไปลนะบังคับมันไม่ได้เลยนะอากุศล น, นะว่าจะไม่โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้ใครเคยมีไหมว่าจะไม่โกรธแล้วเสร็จแล้วก็โกรธนะเห็นหน้าคนเนี้ยมาแต่ไ ก, กลอยากโกรธเขาหนะอยากโกรธเขานะากกเพนะ้ออีกทีนิ้วทั้งห้าก็อยู่ที่หน้าเขาแล้วอะไรเงี้ยเออ มันห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้มันควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยดูความจริงของกายของใจเนี่ยดูอย่างนี้ดูให้เห็นไตรลักษ์อย่าเป็นนึกว่าพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลณสุภาเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะครูบาอาจารย์สอนมาชัดเจนเลยหลวงปู่เทศหลวงพ่อพูดอะไรนี่เคยสอนเลยใ น, นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยถ้าจะเห็นทำวิปัสสนาได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงคือไตรลักษณ์นะ ถ้าไม่เห็นใจ ร, รักษไม่ใช่วิปัสสนานะยิ่งเฝ้าดูไปเรื่อยในที่สุดถ้าปัญญามันพอนะเราจะเลยวิปัสสนาไปพอเนะี่ยเราเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะอย่างเราหายใจเนะีเราคิดว่าสบายใช่ไหมหายใจไปแป๊บเดียวความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราต้องหายใจออกนะรู้สึกสบายขึ้นแวบหนึ่งนะที่จริงก็คือความทุกข์มันลดลง นะแล้วหายใจออกไปพักเดียวความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะหายใจเข้าไปพักหนึ่งความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะ่าไม่มีเลยความสุขเนี่ยค่อยดูไปเรื่อยนะเห็นแต่ทุกข์ในจิตในใจก็เหมือนกันเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะแ ป, ปรพลวนตลอดเวลาเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยก็เรียกว่าเรารู้ความจริงของธาตุขันกายใจแล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ เป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษมันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันทุกข์เพราะว่ามันเอาเป็นที่พึ่องอาศัยอะไรไม่ได้นะมีแต่ของไม่ดีเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับความจริงว่าธาตุขันนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยคิดเคยนึกเคยสําคัญมั่นหมายพอจิตมันเห็นความจริงแล้วจิตมันจะสลัดคืนขันให้โลภจะสลัดออกนะมันสลัดออกบาลีเรียกปฏินิสัขะ สลัดออกไปสลัดคืนนะะจิตก็เข้าถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะจิตเราถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่เหมือนมีเปลือกหุ้มอยู่นะแล้วมันเป็นทางที่กิเลสเนี่ยจะไหลย้อมเข้ามาย้อมจิตได้จิตปรุงกิเลสขึ้นมานะเพราะามีอนุสัยเป็นฐานไว้พอปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสจะซึมซ่านกลับเข้ามาหาจิตนะ ผ่านอาสวะกิเลสนะยอนกลับเข้ามายอมจิตได้อีกแล้วค่อยภาวนาจนปัญญาแจ้งสิ่งที่ห่อพุ่มจิตอยู่<ม>ก็ถูกทําลายออกไปนะนึกใครเคยเห็นลูกโป่งที่ลอยได้อะเขาเรียกอะไรเริ่มชื่อแล้วลูกโป่งสวรรค์เออไม่สวรรค์ที่ไหนลอยไปเดี๋ยวก็ตกล้นะลูกโป่งสวรรค์ถ้ามันแตกะนึกออกไหมแก๊สข้างในมันก็จะกระจายออกใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรห่อหุ้มแล้ว จิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าอาสะวะแตกออกนะอาสะวะถูกทำลายเนะี่ยจิตจะกระจายขยายตัวออกไปเต็มจักรวาลเลยเต็มโลกธาตุเลยใหญ่โตโมโ ห, หลานนะไม่มีขอบไม่มีเขตเลยถ้ายังมีลูกโป่งอยู่ก็มีขอบเขตของแกส๊สใช่ไหมแก๊สอยู่ในขอบเขตจํากัดถ้าลูกโป่งแตกเนี่ยแก๊สก็กระจายเต็มไปในอากาศจิตนี้ถูกอาสะวะห่อหุ้มไว้ถ้าอาสะวะแตกออกนะจิตนี้จะขยายตัวออกไป ไม่มีขอบเขตเลยนะและไม่มีเหลือแรงดันในข้างในเลยไม่มีแรงผลักดันแรงดันของจิตคือตัวตันหานี่จะสลายไปหมดเลยนะจิตใหญ่โตครูบาอาจารย์สอนนะอย่างหลวงตาท่านพูดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตมีจุดมีดวงก็เหมือนมีลูกโป่งอยู่มีจุดมีดวงมีขอบเขตหลวงปู่ดูก็สอนนะไม่มีที่ตั้งไม่มีการปรากฏอะไรขึ้นมานะ มีอยู่แต่ไม่มีร่องรอยไม่มีรูปรักษณนะ์มีอยูนะ่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะต้องค่อยๆภาวนาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดมานะตอนนี้ยังภาวนาไม่เห็นก็จําไว้ก่อนนะไม่ใช่ยังไม่เห็นก็เตียงไว้ก่อนเนาะอย่างนั้นมันโง่นะบางคนนะไม่พูดซะเราอย่างนึกว่าฉลาดนะ เาพูดเลยรู้ความจริงเลยอ๋อว่าฉลาดกว่าที่เราคิดเนาะพอรู้เรื่องไหมพวกมาเข้าคอร์สสามวันแล้วะเงัอนเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงเราภาวนาเพื่อความพ้นทุกขนะ์เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือพ้นจากขันได้ถ้าจิตปล่อยขันเนี่ยนะจิตจะกลืนไปนันเดียวกับจักรวาลกับความว่างนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มี ความเคลื่อนไหวหลวงปู่ดูลสอนนะบอกภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในข้างนอกเนี่ยไม่มีรูปรักษณนะภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวท่านะ น, นสอนแปลกนะจริงๆของท่านนะต้องค่อยภาวนาแล้วนะ เ, เหลือแต่ความสุขมีความสุขที่มหาศาลเลยความสุขของอิสรภาพซึ่งในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้มีความสุขที่เอิงอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นตลอด เราอย่านึกว่าสิ่งนี้ยากเกินไปนะถ้าเราทําวิปัสนาเจริญปัญญาได้ถูกวิธีนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นนะเว้นลำดับลำดับไป <c oughs> ไม่ได้ยากเกินไปพอสู้ไหวไหมอย่างนี้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกสิ่งที่เรียกว่าตัวทุ ก, ก็คือตัวขันคือกายกับใจเหล่านี้แหละจะพ้นจากขันได้พ้นจากทุกได้ ก็ต้องเห็นความจริงของกายของใจของาธาตุของขันว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาจะเห็นความไม่ดีของาธาตุของขันได้เห็นความบกพร่องของธาตุของขันจนหมดความยึดถือได้นะต้องเจริญปัญญามิธีเจริญปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงรูร้ไปตัวมันเป็นทุกข์อยู่แล้วรู้อย่างที่มันเป็นก็จะเห็นตัวทุกข์นั่นแหละ นะคําว่าทุกนี่คลุมถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะหมายถึงเป็นของไม่ดีไม่ของไม่สําคัญของไม่วิเศษวิโสอะไรถ้านะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่มันก็มีเงื่อนไขเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิต ท, ที่ไม่อินเข้าไปในปรากฏการจิต ท, ที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูเหมือนอย่างเราดูมวยนะ สังเกตไหมว่านักมวยเวลาชกกันนะบางทีแก้ทางของคู่ต่อสู้ไม่ได้ไอคนดูมวยเนี่ยมันสอนอยู่ข้างเวทีมวยนี่เต็มไปหมดเลยรู้สึกไหมแต่ละคนเก่งมากเลยทําไมเองไม่ทําอย่างนั้นทําไมเองไม่โชคอย่างนี้เอาเตะมันตรงนั้นเตะมันตรงนี้นะให้มันไปโชคเองตายเปล่าๆนะแต่มันดูมันเป็นคนวงนอกมันดูง่ายไม่บออกไหมมันเป็นคนวงนอกเรามาฝึกจิตจนกระทั่งเป็นคนวงนอกของกายของใจตัวเองเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ชัด ถ้าจิตของเราเข้าไปคลุกวงในแล้วก็เหมือนกําลังชกกับเขาอยู่นะดูกายดูใจได้ไม่ชัดหรอกดูไม่ตรงความจริงหรอกมันมั่วงั้นต้องถอยตัวออกมาเป็นคนดูตรงที่จิตถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้นี่แหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อสาสิปีก่อนหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะเข้าไปเยอะนะหลายสิบองค์เลยเข้าไปศึกษากับท่านนะตั้งแต่หลวงปู่ดุลเป็นต้นไปเนะี่ย เขาไปที่ไหนท่านสอนในเรื่องคําว่าจิตจิตผู้รู้นั่นเองจิตผู้รู้เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ถ้าไม่มานั่งสอนหลังนั่งสมาธิแล้วให้เห็นนูน่นเห็นนี่ไม่มีใครสอนเลยนะรุ่นน้องไม่เอาเลยนี่มิตครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยสอนแต่ให้เข้ามาที่จิตให้ถอดถอนออกมาจนเป็นผู้รู้ได้นะแล้วก็มาเดินปัญญา แม้ถ้าเราจิตเราไม่เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุง ผ, ผู้แต่งมันคือจิตที่คลุกวงในอยู่กับาธาตุกับขันแ้าจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยร่างกายมันเหมือนคนอื่นละเหมือนเราไปเห็นร่างกายคนอื่นเคลื่อนไหวความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะรู้สึกว่าความสุขความทุกข์มันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ความสุขความทุกข์ของเรานะมันเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นแขก ผ่านมันเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะหรือเห็นกุศลนะกุศลเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกเลยว่าเราโกรธนะแต่จะเห็นว่าความโกรธมีอยู่จิตมีอยู่ต่างคนต่างอยู่นะจะเห็นอยู่อย่างนั้นเลยขันมันแยกออกไปจิตเป็นคนดูขึ้นมาตัวเนี้ยตัวแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าเราไม่มีสมาธิคือไม่มีความตั้งมั่นของจิตที่จิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริง เนะงั้นในตําราจะสอนเลยบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นถ้าไม่มีสมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจะไปเจริญปัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้จริงจิตต้องถอนตัวออกมาให้ได้นะจิตของเราปกติไม่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้หรอกจิตมันจะไหลหไปรวมเข้ากความคิดนึกกรุงแต่งตลอดเวลาต้องฝึกวิธีฝึกนะทำสมาธิขึ้นมาหรือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสะกก่อน จะหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะไปเดินจงกรมก็ได้จะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้จะดูร่างกายเคลื่อนไหวดูร่างกายหยุดนิ่งก็ได้นะอะไรก็ได้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาสัก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งนิ่งนิ่งว่างๆงอยู่รู้ทันหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน ดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมอยู่นะจิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้อีดิยาบท4ี่นะจิตมาเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะคอยฝึกไปเรื่อยต่อไปมันจะเห็นเลยว่าจิตมันอยู่ต่างหากนะจิตมันอยู่ต่างหากค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตไปแต่ถ้าอย่างนี้ยังยากไปก็ย่อลงมาอีกเอานิดเดียวก็พอที่ที่ฝึก ธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบหนีไปคิดมากที่สุดเลยวันวันหนึนน่งหนีคิดนับไม่ถ้วนนะงั้นเราให้เราคอยทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดแค่นี้ก็พอนะหรือว่าถ้าเก่งกว่านั้นก็คือเห็นจิตที่มันไหลไปเพ่งด้วยก็ดีนะถ้าได้2 อ, อย่างก็ได้ครบละถ้าจิตที่หนีไปนั่นหนีไป2แบบเองหนีไปคิดนะสเปสป่สาไปไปเสพอารมณ์ข้างนอกกับหนีไปเพ่งบังคับตัวเองนิ่งๆอยู่ ถ้ารู้ได้ทางสองอย่างก็ดีถ้ารู้ไม่ได้นะรู้ทานจิตที่ไหลไปคิดเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้ขึ้นมาเอางเนี่งว่ัตั้งขึ้นมาเองนะค่อยๆฝึกไปแค่นี้แหละฝึกอยู่ที่จิตเดียวนะเราจะได้สมาธิขึ้นมาทำไม่พุโทโธจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้หายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทาทุกวันนะวันหนึ่งนาทนะีทุกวันขอ10นาทีเองไม่ขอมาก ขอมากกว่านี้ไม่ให้หลวงพ่อหรอกขอแค่10นาทีให้ได้ไหมแล้วต่อไปนะถ้าทําตรงนี้เป็นนะความเปจะเพิ่มขึ้นเองนะแต่ละวันแต่แต่ละในแต่ละวันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทํา5นาทีแล้วก็ไปทํางานนะกลางวันกินข้าวแล้วทำสักครึ่งชั่วโมงมีเวลาเยอะหน่อยตอนเย็นถ้าทาได้10นาที15นาทีเราก็จะหลับลนะ ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะสมาธิมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นม า, เ, นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าคนไม่รู้จักหรอกคนที่ฝึกสมาธิส่วนมากนฝึกสมาธิลือสีไม่ใช่สมาธิพระพุทธเจ้าฝึกสมาธิที่จิตเป็นแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวไปดูท้องฟองยบประจิตไปอยู่ที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหรือไปอยู่ที่แสงสว่างนะ จะฝึกอะไรเข้านะจิตมันไหลออกไปหมดเลยเราเป็นนิ่งอยู่ในรมมันเดียวเน้มันสมาธิที่สาธารณะนะสมาธิแบบนั้นาศาสนาอื่นก็มีพวกเหลือสีชีพไรเขาก็สอนกันได้แต่สมาธิที่จิตถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคนอื่นไม่มีหรอกเพราะฉนั้นเราต้องเป็นฝึกนะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราจะได้ตัวรู้ขึ้นมาได้ตัวรู้แล้วก็ไม่รู้อยู่เฉ ย, เฉย มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปแต่รู้ด้วยใจที่เป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้7วัน7เดือน7ปีถ้าทําให้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝึกวันที่1แล้วก็ทิ้งไปหกวันนะวันที่7ไปฝึกแล้วแบบครบ7วันแล้วทําไมไม่ได้พระโสดาตทีอันนั้นมันขี้โกงไปแล้วนะหรือฝึกวันที่1แล้วก็ครบ7ปีแล้วมาทํำอีก ห, หนึ่งแล้วแบบฝึกมา7ปีใช้ไม่ได้นะัะโกหก ห, กหกลอกลวงแล้วอย่างนั้นต้องทําทุกวันทุกวันไป เจ็ดวันเ็ดเดือนเจ็ดปีมต้องมีอะไรบ้างแหลนะถ้าไม่ดีเกินไปก็เร็วเกินไปดีเกินไปก็คือพวกหวังพุทธ ภ, ภูมิภาว น, ะนาไปแล้วใจมันจะไปพุทธภูมิพอจวนจะรวมเข้าไปตัดนั้นก็ถอยออกมาอีกแล้วสงสารสัตว์โลกถอยออกมาไม่ยอมตัดภาว น, ะนาจนใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วนี่เสมอกันหมดเลยไม่ได้ตื่นเต้นกับความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ ไม่ได้ตื่นเต้นกับดีไม่ได้เกลียดความชั่วเลยนะเป็นกลางเลยเข้าถึงตัวนี้แล้วเสร็จแล้วใจก็ไม่เกิดอริยมรรคอริยผลพอจนจะเกิดแล้วถอยออกมาทุกทีเลยนั่นพวกดีเกินไปพวกชั่วเกินไปก็พวกด่าพระอริยะนะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกอะไรพวกนี้นะพอจะจิตจะรวมเข้าไปตัดกิเลสถึงขั้นอริยมรรคนี่ยจิตจะดีด ต, ตัวออกมากรรมมันขวางไว้นะ เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอธิยะนะงั้นทางที่ดีอย่าไปด่าใครสักคนนะปลอดภัยที่สุดน ะ, น ะ, ะไปกินข้าวสอนให้ละเอียดเทวนัน้นี้นะเอาไปทำนะ